10. ระลึกรู้แล้วได้อะไร 10.1. ผู้ปฏิบัติส่วนมากเมือเ่อดีนคำสอนว่าให้มีสติระลึกรู้สภาวธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงแล้วอาจเกิดความสงสัยว่าการปฏิบัติเพียงเท่านี้จะมีประโยชน์อะไร ในเมื่อการปฏิบัติที่ยากลำบากกว่านี้ยังไม่ช่วยให้รู้ทำได้แท้จริงการเจริญสติรู้รูปนามหรือสติปัฏฐานเป็นสิ่งวิเศษอัศจรรย์ที่สุดวิเศษถึงขนาดที่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่านี้เป็นทางสายเดียวที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์ได้และได้ผลเร็วด้วยบางคนภายในเจ็ดวันบางคนภายในเจเดือน และบางคนภายในเจ็ดปีก็มี 10.2 พวกเราไม่จำเป็นต้องจินตนาการว่าการจเจริญสติมีประโยชน์อย่างใดบ้างเพราะพระศาสดาทรงประทานคำที่แนะไว้แล้วดังต่อไปนี้คือดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อหนึ่ง สติสัมปชัญญะมีอยู่ 2. หิริและโอตปะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ย่อมมีแก่บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสติและสัมปชัญญะเมื่อหิริและโอตปะมีอยู่ 3. อินทรียสังวรชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ย่อมมีแก่บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยหิริและโอตปะ เมื่ออินทสียสังวรมีอยู่ 4. สีศีลชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ย่อมมีแก่บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยอินเสียสังวรเมื่อศีลมีอยู่ 5. สัมมาสมาธิชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ย่อมมีแก่บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศี ล, มคค ล, มลเมื่อสัมมาสมาธิมีอยู่ ยะถาภูตะยานทัศนะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ย่อมมีแก่บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสัมมาสมาธิเมื่อยถาภูตะยานทัศนมีอยู่เ <7. S 2> นิพิทาวิราคะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ย่อมมีแก่บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยยถาภูตะยานทัศนะ เมื่อนิพิทาวิราคะมีอยู่ 8. วิมุตติญาณทัศนะ์ชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ย่อมมีแก่บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยนิพิทาวิราคะจากสติสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่23ข้อ187 จากพระพุทธวจนะดังกล่าวจะเห็นได้ว่าบรรดาคุณความดีชั้นเลิศทั้งหลายจะสมบูรณ์ได้ก็เพราะความมีสติสัมปชัญญะเป็นต้นเหตุกล่าวคือ 10.3.1 หิริและโอตตปะได้แก่ความละอายต่อการทำบาป และความเกรงกลัวต่อผลของการทําบาปเมื่อใดมีสติสัมปชัญญะย่อมรู้เท่าทันการเกิดขึ้นของกิเลสทั้งหลายและรู้ถึงพิษภัยของกิเลสว่านําให้เกิดการกระทําผิดทางกายทางวาจาและทางใจรวมทั้งก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนมาสู่จิตใจอย่างไรจิตใจย่อมละอายที่จะทําบาปและเกรงกลัวต่อผลของบาป โอกาสที่จะทำอกุศลกรรมหนักๆจึงไม่มีอันหนึ่งหิริและโอตปะนี้เป็นเทวธรรมคือเป็นธรรมที่ทำให้คนเป็นเทวดาได้ 10.3.2 อินเซียสังวรได้แก่ความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ที่เมื่อกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสัมผัสทางกายและธรรมารมแล้วหากไม่สำรวมระวังบาปอากุศลก็จะครอบงำจิตได้ผู้ใดมีสติสัมปชัญญะมีความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปแล้วย่อมเกิดความสำรวมระวังอินทรีย์โดยอัตโนมัติทีเดียวอันหนึ่งการมีสติระลึกรู้สภาวธรรมเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายและใจ กระทบอารมณ์นี้เองก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่ตรงไปตรงมาที่สุดแล้ว 10.3.3 ศีลได้แก่ความเป็นปกติของจิตเมื่อมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันการกระทบอารมณ์ทางถานรทั้งหกอยู่จิตย่อมไม่ถูกอกุศลครอบงำ พ้นจากความยินดียินร้ายต่ออารมณ์จิตก็เข้าถึงความเป็นปกติธรรมดาหรือศีลซึ่งจิตที่เป็นปกตินี้เองมีคุณสมบัติคือความผ่องใสหรือประพัดสอนจิตจะมีลักษณะรู้ตื่นและเบิกบานมีสมาธิโดยอัตโนมัติซึ่งหากเคยพบจิตอย่างนี้จะทราบดีว่าสามารถอยู่เป็นสุขในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีอันหนึ่ง ศีล ส, สามารถส่งผลให้มีความสุขมีโภกทรัพย์และถึงนิพพานได้เพราะจิตยิ่งเป็นปกติเท่าใดความปรุงแต่งยิ่งน้อยลงเท่านั้นหากจิตพ้นจากความปรุงแต่งจิตย่อมสามารถรู้อารมณ์นิพพานซึ่งอยู่เหนือความปรุงแต่งได้ 10.3.4 สัมมาสมาธิได้แก่ความตั้งมั่นของจิตซึ่งได้กล่าวไว้แล้วในข้อ 6.4 ของบทความนี้โดยธรรมชาติแล้วจิตที่มีศีลนั่นแหละเป็นจิตที่มีสัมมาสมาธิและจิตที่มีสัมมาสมาธิก็คือจิตที่มีศีลเพราะศีลกับสัมมาสมาธิเป็นเครื่องขัดกล่าวส่งเสริมซึ่งกันและกัน เหมือนการล้างมือขวาด้วยมือซ้ายและล้างมือซ้ายด้วยมือขวาอันหนึ่งการเจริญสัมมาสมาธินี้เมื่อทำให้มากย่อมส่งผลให้ผู้ปฏิบัติบางท่านเข้าถึงความสงบในระดับชาญได้ซึ่งให้ความสุขในปัจจุบันและส่งผลให้ผู้นั้นเข้าถึงกำเนิดในพรหมโลกได้ด้วยหากยังไม่เข้าถึงนิพพานในชีวิตนี้ 10.3.5 ยะถาภูตะญ า, าณทัศนะได้แก่การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปนามถูกต้องตามความเป็นจริงภูตะในที่นี้หมายถึงรูปนามขันห้าไม่ใช่ผีตามความหมายในภาษาไทยการรู้เห็นความจริงเป็นส่วนของปัญญาซึ่งปัญญามีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิด คือเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นกลางและมีสติระลึกรู้อารมณ์รูปนามก็จะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามที่อยากจะให้เป็นด้วยตัณหาหรือตามที่คิดว่าน่าจะเป็นด้วยทิฏฐิ 10.3.6 นิพพิทาวิราคได้แก่ความเบื่อนายคลายกำหนัด เมื่อรู้จักรูปนามตามความเป็นจริงแล้วจิตย่อมเกิดนิพพิธาคือความเบื่อหน่ายเอื่อมระอาต่อรูปนามทั้งหลายเพราะเห็นความไม่มีสาระแก่นสารสภาวะของนิพพิธาไม่ใช่ความเบื่ออย่างลลกโลกที่เป็นการเบื่อทุกขแต่อยากได้สุขนิพพิทานั้นเห็นทั้งทุกขและสุขทั้งดีและชั่วทั้งหยาบและละเอียดทั้งภายในและภายนอก น่าเอื่มระอาเสมอกันเมื่อเกิดนิพิทาแล้วจิตย่อมหมดความดิ้นรนทยานอยากที่จะปฏิเสธทุกข์หรือแสวงหาสุขเมื่อจเจริญสติต่อไปจิตจะเข้าถึงความเป็นกลางต่อรูปนามอย่างแท้จริงแล้วรู้ชัดในรูปนามว่า 1. ในธรรมชาติไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีแต่รูปธรรมและนามธรรม 2. รูปธรรมและนามธรรมมีลักษณะเป็นไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือไม่อยู่ในบังคับของใคร 3. รูปธรรมและนามธรรมมีเหตุปัจจัยให้เกิดแปรปรวนไปตามเหตุและถ้าเหตุดับมันก็ดับ 4. ความยึดถือในรูปธรรมและนามธรรมจะนำทุกข์มาให้ และเมื่อปัญญาแก่รอบถึงที่สุดก็จะรู้ว่ารูปนามนั่นแหละคือทุกข์นี้คือการรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งและทําให้รู้แจ้งอริยสัจด้วยว่าเพราะมีสมุ ท, ทยัยจึงเกิดทุกข์เพราะไม่รู้ทุกข์จึงเกิดสมุ ท, ทยัยทุกข์กับสมุ ท, ทยัยอิงอาศัยกันเกิดดับสืบเนื่องกันไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่ เพราะรู้ทุกแจ่มแจ้งจึงละสมุไทยเพราะความดับไม่เหลือของสมุไทยจึงแจ้งนิโรธหรือนิพพานนี้เองคือมรรคนี้เป็นที่สุดแห่งทุก์อันหนึ่งนิพพานนั่นแหละคือวิราคธรรมคือธรรมอันสิ้นตัณหาสรุปแล้วเมื่อจิตเป็นกลางต่อสังขาร จนรู้แจ้งอริยสัจแล้วจิตจะก้าวกระโดดอย่างฉับพลันไปสู่ความหลุดพ้นโดยผู้ปฏิบัติไม่ได้จงใจจะให้เป็นเช่นนั้นคือพอวางขันห้าก็ได้ประจักษ์นิโรธหรือนิพานหรือวิสังขารหรือวิราคะอันเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาอย่างปัจจุบันทันด่วน 10.3.7 วิมุตติยานาทัศนะได้แก่ความรู้แจ้งเกี่ยวกับสภาวะธรรมแห่งความหลุดพ้นจากเพลิงทุกข์และเพลิงกิเลสเมื่อปล่อยวางรูปนามจนแจ้งนิพพานแล้วผู้ปฏิบัติจะเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการหลุดพ้นและเข้าใจถึงสภาวะของนิพพานด้วยคือพบว่า นิพพานเป็นสภาวะธรรมที่ว่างจากกิเลสและขันธ์แต่ไม่ใช่ความว่างเปล่าแบบความขาดศูนย์หรืออุดเฉตทิฏฐิในขณะเดียวกันก็ไม่จะพบชนิดหนึ่งที่เที่ยงแท้ถาวรที่จิตปรุงแต่งขึ้นหรือสัตสตทิทิฏฐินิพพานเป็นสภาวะธรรมที่เต็มบริบูรณ์อยู่ตลอดเวลาสงบสงัดสันติบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดปรุงแต่งได้ และปลอดภัยจากการรบกวนทั้งปวงผู้ปฏิบัติที่ได้พบอารมณ์ น, นิพพานด้วยการบรรลุมรรคผลถึงสี่ครั้งแล้วย่อมพ้นทุกพ้นกิเลสสิ้นเชิงเพราะจิตหลุดพ้นจากอาสวะเหมือนลูกไก่ที่เจาะทาลายเปลือกไข่ออกมาได้แล้วไม่มีทางย้อนกลับเข้าไปในเปลือกไข่ได้อีกได้รับอิสรภาพและบรมข อันเนื่องจากจิตหมดแรงเค้นของตัณหาหมดภาระที่ต้องดิ้นรนและพ้นจากความเสียดแทงทั้งปวงมีความสุขอยู่ในทุกอิริยาบถ ท, ทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งหลับและตื่นอันหนึ่งผู้ที่เคยพบนิพพานแล้วในขณะที่เกิดมรรคผลอาจพบนิพพานได้อีกเพื่อเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันด้วยสองวิธีการคือ 1. การไม่มะนะสิการหรือใส่ใจถึงสังขารทั้งหลายพอจิตวางอารมณ์ที่เป็นสังขารก็จะไปรู้อารมณ์นิพพานหรือ 2. การมะนะสิการถึงอารมณ์นิพพานโดยตรงทั้งสองอย่างนี้เป็นประโยชน์สุขในปัจจุบันที่ได้มาด้วยการเจริญสติเท่านั้น 10.4 สรุปแล้วสตินี้แหละยิ่งเกิดบ่อยยิ่งดีและนอกจากการเจริญสติปัฏฐานคือการมีสติรู้รูปนามแล้วก็ย่อมไม่ใช่ทางหรืออริยมรรคที่แท้จริงคำสอนใดที่มุ่งปรุงแต่งกุศลเพื่อแก้ความปรุงแต่งอกุศลคำสอนนั้นเป็นไปเพื่อความเนื่นช้าแต่อาจจาเป็นในเบื้องต้นสาหรับบางคนคาสอนใดให้เจริญสติ รู้ทันความปรุงแต่งทั้งกุศลและอกุศลจนพ้นจากความปรุงแต่งทั้งกุศลและอกุศลคำสอนนั้นเป็นทางหรือมักตัดตรงเข้าถึงความพ้นทุกข์สิ้นเชิงหรือนิโรธหรือนิพพานครูบาอาจารย์พระป่าทั้งหลายซึ่งเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ของผู้เขียนเช่นหลวงปู่ดูลัตุโล หลวงปู่เทเทสรังสีหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยและหลวงปู่สุวัสดิ์สุวโจโญเป็นต้นท่านก็เน้นนักหนาให้ผู้เขียนเจริญสติคือรู้ไว้บางท่านยกหัวใจคำสอนของหลวงปู่มั่นผูริทัตเทระมาสอนผู้เขียนว่าหลวงปู่มั่นท่านสอนว่าทำสมาธิคือความสงบมากก็เนิ่นช้าคิดพิจารณามาก ก็ฟุง้งซ่านสิ่งสําคัญที่สุดของการปฏิบัติคือการจเจริญสติในชีวิตประจําวันจะเดินจงกรมก็ต้องเดินด้วยความมีสติจะนั่งสมาธิก็ต้องนั่งด้วยความมีสติทําสิ่งใดก็ต้องทําด้วยความมีสติเพราะเมื่อใดมีสติเมื่อนั้นมีความเพียรเมื่อใดขาดสติเมื่อนั้นขาดความเพียร ผู้เขียนก็ได้อาศัยคำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ดังกล่าวนี้เป็นแนวทางปฏิบัติตลอดมา30กรกฎาคม2549บันทึกท้ายเล่มวัตตะเพราะมีสมุทยจึงเกิดทุก เพราะไม่รู้ทุกจึงเกิดสมุทยัยวิวัตะเพราะรู้ทุกแจ่มแจ้งจึงละสมุทยัยเพราะความดับไม่เหลือของสมุทยัยจึงแจ้งเนิโรธจบเสียงหนังสือเรื่องวิธีเห็นความรู้แจ้งฉบับรวมเล่มโดย ท่านอาจารย์พระปราโมทปาโมชโช